การถ่ายทอดพระไตรปิฎกดังที่ทราบกันแล้วว่าสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เมื่อพระองค์เสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนหรือทรงบัญญัติพระวินัยข้อใดเมื่อใดสาวกที่ได้ยินได้ฟังก็ช่วยกันจดจำไว้แล้วถ่ายทอดให้สิทธิ์ด้วยวาจาเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการจารคํำสอนลงเป็นลายลักษณ์อักษร เคยมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าสมัยพุทธกาลคนยังไม่รู้จักการเขียนหนังสือหรืออย่างไรจึงไม่ปรากฏว่ามีตำรับตำราจารึกไว้เป็นหลักฐานแม้บริคารของพระภิกษุก็ไม่ระบุหนังสือไว้ด้วยพระมหาเสถียรพงุ์ น, นุณวันโนแสดงทัศนะไว้ในหนังสือภาษาศาสตร์อะไรคือบาลีว่า ความจริงการเขียนหนังสือน่าจะมีมาก่อนพุทธกาลแล้วในพระไตรปิฎกเองก็มีข้อความเอ่ยถึงการขีดเขียนเป็นครั้งคราวเช่นตอนหนึ่งห้ามภิกษุเล่นเกมอักขริกาซึ่งพระอัฏฐกถาาจารย์อธิบายว่าได้แก่การเล่นทายอักษรในอากาศหรือบนหลังของเพื่อนภิกษุวิชาเขียนหนังสือในวงเล็บเลขา ได้รับยกย่องว่าเป็นศินละปะพิเศษอย่างหนึ่งสิกขาบทบางข้อห้ามภิกษุเรียนศินละปะทางโลกหนึ่งในศินละปะเหล่านี้มีวิชาเขียนหนังสือด้วยในบทสนทนาภายในครอบครัวพ่อปรารภว่าจะให้บุตรเรียนวิชาอะไรดีถ้าจะให้เรียนเขียนหนังสือบุตรอาจยังชีพอยู่ได้สบายแต่อาจเจ็บนิ้วมือเพราะเขียนหนังสือ ถาภิกษุเขียนหนังสือพันนาคุณของอัตตวินิบาตกรรมปรับอาบัต ท, ทุกกฎทุกตัวอักษรถ้ามีผู้อ่านพบข้อความนั้นเข้าเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วค่าตัวตายตามนั้นปรับอาบัตปาราชิกหลักฐานเหล่านี้แสดงว่าอักษรหรือการเขียนหนังสือมีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ที่พระพุทธองค์ไม่นิยมให้หันมาใช้วิธีมุขปาฐะแทนน่าจะทรงเห็นประโยชน์อนิสงส์บางสิ่งบางอย่างกระมังหรือว่าระบบการขีดเขียนยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรทั้งยังไม่มีอุปกรณ์การขีดเขียนเพียงพอก็ยากจะทราบได้แต่ที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งวิธีเรียนด้วยมุขปาฐะนี้นอกจากจะสร้างสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแล้วยังเป็นการสร้างสมาธิฝึกจิตของผู้เรียนไปในตัวด้วยนักปราชษ์ยุคก่อนมีความคิดเช่นนี้ก็มีไม่น้อยเปเตโตรเคยกล่าวไว้ว่าการคิดอักษรขึ้นใช้แทนการท่องจำทำให้มนุษย์ขาดอนุภาพแห่งความทรงจำคือแทนที่จะจดจำจากอินทรีย์ภายใน ต้องอาศัยสั ญ, ญลักษ์ภายนอกเข้าช่วยในพระสูตรหลายแห่งเช่นอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตบอกวิธีศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้การถ่ายทอดคำสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไว้ห้าประการคือ 1. พระหุดสุตาต้องฟังให้มากหาโอกาสสดับรับฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ใหมาก 2. ทตาฟังแล้วพยายามจำให้ได้จับหลักหรือสาระได้ส่งจำไว้แม่นยำา 3. วจชสาปริจิตาท่องบนสาธยายจนคล่องปาก 4. มณสานุเปกขิตาเพ่งพินิษพิจารณาความหมายด้วยใจจนนึกครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัด 5. ทิฏฐิยาสุปฏิวิทาขบให้แตกคือทำความเข้าใจลึกซึง้งมองเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาทั้งแง่ความหมายและเหตุผลวิธีการทั้งห้านี้เอืออำนวยให้ระบบการถ่ายทอดหลักคำสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสืบทอดต่อต่อกันมาเป็นเวลานานหลังจากพุทธบรินิพนธ์ เนื่องจากคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายเกินความสามารถของปัจเจ ก, กับบุคคลคนเดียวจะจดจำได้หมดจึงได้มีการแบ่งหน้าที่กันในหมู่สงฆ์ให้บางรูปที่เชี่ยวชาญทางพระวินัยรับผิดชอบท่องจำพระวินัยเรียกว่าวินัยทอนให้บางรูปรับหน้าที่ท่องจำพระสูตรเรียกว่าธรรมทรนแม้พระสูตร ก็แบ่งหน้าที่ท่องจาเป็นส่วนๆเช่นทีฆาพานกะผู้ท่องจาสูตรขนาดยาวมัชิมะพานกะผู้ท่องจาสูตรขนาดกลางเป็นต้นระยะต้นๆก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆต่อมาได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ละกลุ่มก็มีสิทธิศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก เมื่อพระธรรมวินัยได้รับการจัดแบ่งเป็นสามปิดกแล้วการท่องจาพุทธวจนะได้พัฒนาเป็นระบบยิ่งขึ้นถึงกับเชื่อว่ามีอาจารรยปาปรา a m ราหรือสำนักสืบทอดคำสอนมีสามสำนักด้วยกันแต่ละสำนักล้วนอ้างว่าสืบทอดกันมายาวนานดังนี้คือหนึ่งสำนักพระวินัยปิดก สืบทอดมาแต่พระอุบาลีเทระสําสำนักพระสุตตันตปิฎกสืบทอดมาแต่พระอานนทเทระ 3. สามนักพระอภิธรรมปิฎกสืบทอดมาแต่พระสาวรีบุตรเทระพระไตรปิฎกได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาด้วยวิธีมุขปาะหรือการท่องจำอย่างเป็นระบบ จนได้รับการจานลงเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อพุทธศตรวตรรษที่หในรัชสมัยพระเจ้าวัตคามณีอภัยประเทศลังการะบบมุขปาฐจึงได้เปล่าวความเข้มลงแต่ก็ยังถือปฏิบัติอยู่บ้างในบางประเทศเช่นไทยและพะมา่ามาจนบัดนี้